มีอะไรไหมไม่เดยพนอย่างไรไม่เลยเพราะว่าถ้ารายโยมเป็นคนดื้อมสั่งาคือท่านอาจารย์บอกว่าอยู่นั่งเบาะรายโยมตัวนี้นมานี่ไม่ขี้มัน้ะเว้เพราะว่าเจ็บเจ็บตลอด S <S เป็นคนน <S <S อนกรูว์พื้นไม้่ะตอนนี้เพราะว่ามันไม่ได้ผลเอ่อก็ตอนนี้ก็แบบเท่านี้ฟอยด์เงก็พี่สักเปลี่ยนก็ไปเอาเก้าอี้มาซึ่งเป็นเออก้าอี้เก้าอี้ไม้สักแต่ว่ามันระบายลงได้เพราะมันมันับไม้ระแนงตัวใหญ่เห็นหมไม้เอ่อ ตอนเริ่มนั่งเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ตั้งใจสักเท่าไหร่ว่าตั้งวัน uh, นัสักสองชั่วงทุกทีก็ปอกหนาใชคะเบหนาเป็นองคเียลานั่งนั่งไปพอสักเกือบชั่วโมงสนน้าทีก็เริ่มเจ็บเริ่มเจ็บก็ทนเอามก็มีความกดดัลังห้า แล้วว่าพอได้สิบนาทีนะมันแทบระเบิดเจ็บมันปวดมากเลยปวดสุดๆเลยก็มันนึกถึงว่าเราจะต้องเร่งพุทโถเพราะพุทธโถตอนแรกหลังจากจุดจุดอุดมีดีให้มันเร่งนะมันไปเรืเร่อยแล้วมันก็ยังไม่เข้าแบบว่าเออเอเอมือเนี่ยหายไปมันยังไม่เข้าคนะ่ะก็มันปวดก่อนก็เลย ก็เลยเร e like ่งร่งสปีดหน่อยนะแบบพุชโฉพุชโฉนแล้วก็กับฟันพุชโธเยมันปวดขนาดเช่นแต่ต้องรีบสู้นะว่าจะูจะาให้รู้เลยว่าว่าทำไมว่าว่าถ้าผุณเราติดโควมากๆพุชโจะช่วยเราได้หมเพราะมันตัดตางความคิดมันทำให้ให้เราเราเจบจดจอนะคะก็ทำไป ยาอีกส yeah, ักส kind of so, ินาทีนะเพราะว่าทกทอยอย่างเงี้ย้เราต้าค่อยๆหายไปเพราะว่าวดความปวดปวดปวดแากที่สุดเลโกของเจลแล้วสักสิิ้านาทีก็ลืมไปเลยว่าเฮ้เราเรามันหายไปไหนก็นั่งต่อไปอีก จนครบสองชั่วโมงแล้วยังไม่เชื่ออีกว่ามันจากหนไปมันอาจจมาอีก ไ, ได้ก็ต่อไปอีกเพชั่วโมงมันก็ไม่กลับมาก็เลยหยุดลุกขึ้นไม่รู้ว่าลุกขึ้นมันก็จะตามลงไปมันก็ไม่มีนะฮะหายไปเลยแล้วมันไม่มีร่องรอยของความเจ็บอวดเลยอันนี้ก็เลยเป็นบทเรียนที่โยมก็เข้เ า, เาใจเข้าใจว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงบอกว่า นใช้เบาโยมก็เลยเอากระเชนเบาเนี่มาไว้ที่เท้าวันที่สองก็เริ่มใหม่วันที่สองเริ่มใหม่เอาอย่างนี้คือเรารู้ว่ามันจะมาแเราก็พุทโธให้มันได้ได้แบบว่าอาสปีดให้มันแบบว่ามันมให้อะไรเข้ามาเลยให้จิตนิ่งนะคะเพราะมันนิ่งแล้วนะคะ ปืนไม้ขาเขยเนี่ยเหมือนต่อไม้เลยคือว่ามันไม่มไมมรู้อะไรกับดอกเออมันมิ่มมากยานั้นก็มนไม่มันไม่มาเี้ห น, นเลยไม่ปวดเลยสองชั่วโมงทดลอนะก็จะถามจาว่าต่อไปนี้เรายอมมาปูกทาว่ า, วามันสกัดคือว่าคือว่ายอมนี่ พึ่ต่อสู้กีเลยที่บอกว่าไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเจ็บก็มาทำให้มันมันสู้กับมันว่าเจ็บเป็นเจ็บนะฉันรออยู่แน็แจะมาก็มามแล้วก็ท่อบทุกโผลไปไปแบบที่ฉี่นะ ตอนนี้มาปรับแล้วแบบว่าให้มันเสมอกันแบบไม่ต้องมันเป็นเร่งแบบว่าตอนที่มันเจ็บให้มันทําให้ดันแบบว่าไม่มีอะไรเข้ามาให้มันยิ่งก็อยู่ได้อำไปได้สามไม่หมดสี่วันก็เย็นี้ก็ก็เสมอกันไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าให้มันหน้าเหมือนอ่ า, อ า, อา น, นนี้ยมที่วบอกมานั่งปกติไม่ได้ไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันจะเจ็บมากเฮ้ มันก็ตามไม่ด้ขาแขนเลยก็ไม่มีความเจ็บความปวดเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านสิเดี๋ยวก็จะคิดว่าที่ท่านอาจารย์เอื่อแล้วเตือนอีกว่าอย่าไปนั่งเบาะนะก็ไม่เชื่อเพราะความปวดนั้นเดี๋ยวถามว่าก็ทำอันนี้ไปถูกทางนะก็ให้เรา อยู่กับความเจ็บให้ได้ว่ามันจะต้องมีเวลาที่เจ็บแล้วเราหนีมันไม่ได้มีเวลาไม่สบายแต่ถ้าเรารู้จกักทำใจให้นิ่งไม่ไปมีอะไรกับความเจ็บเราก็จะอยู่กับมันได้มันก็จะรู้สึกเฉยๆแม้ความเจ็บจะไม่หายไปมันก็จะไม่มา แล้วกรธใจเราแต่มันยังไม่ไปนะมันมันแต่ว่าคือเหมือนกับเราพูดอย่างนี้ยแต่มันมีเสียงแววอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะรู้แล้วเราเราจะรู้ว่ามันมันยังอยู่นะมอนอยู่ไอเลชั้นยังอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่มาทำร้ายเราไม่เราเอไม่ทําสมาธิให้เราได้หรือไม่ได้ใจเราเนื่งใจเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็เลยไม่ยุ่งกับเราถ้าเราไปยุ่งกับเขาอยากจะให้กขหาย อยากจะให้เขาหายไปมันก็ยิ่งทำให้ใจเราวุ่นขึ้นมางั้นเราต้องผ่านรู้จักหัดทำใจเฉยๆกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเจ็บของร่างกายหรือความตายของร่างกายเราก็ <Tack> ต้องทำใจเฉยๆเพราะเราไปเราไปห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ร่างกายมันจะเจ็บเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องทรมานทุกทรมานไปกับมันถ้าเรารู้จักทาใจให้เฉยๆ ที่ปฏิบัติได้เพื่อให้เรารู้จักทำใจให้เฉยๆพอใจเฉยแล้วเราก็ไม่ได้เหลืออรนอนไม่ทุกทรมานเราความเจ็บไข้ได้ป่วยเราความตายเราก็สบายอยู่อย่างสบายอย่างนีง่อย่างข้าพุทธองค์เกิดเกิดเจ็บป่วยเจ็บป่วยมีความปวดมีความทุกข์มากก็ไม่ต้องเปทานยาแก้ปวดตลอดอก็ใช้วิธีนี้ มก็จะพาที่เขาไปอยู่ในป่าเวลาเขาไม่สบายเขาไปหายาที่ไหนหาหมอที่ไหนเขาก็ใช้ธรรมโอสถทำใจให้สงบทำใจให้เฉยแล้วก็อยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวมันก็หายของมันเองถึงเวลามันจะหายมันก็หายถ้าไม่หายก็ตายตายมันก็ยังไงก็ต้องตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรักษาอย่างไรถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ตาย มันก็ไม่ไม่สะทกสะทานทั้งกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกับความตายที่จะตามมาปฏิบัติเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่จากความตายของร่างกายก็มีเท่านี้แหละที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายแต่ก็ไม่ใช่เป็นเป็น เป็นปัญหาแค่นี้นะปัญหาอย่างอื่นยังมีใจเรายังไปทุกข์กับคนอื่นอยู่ทุกข์เพราะยังอยากได้เขามาเป็นแฟนอยู่เราก็ต้องหาวิธีตัดเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากให้เ้ามาเป็นแฟนเราที่เราไม่อยากให้เขามาเป็นแฟนเราเพราะเราเห็นรูปนั่งหน้าตาเพราะว่าเราอยากอยากจะร่วมหลับนอนกับเขา เราก็ต้องมองให้เขาให้เห็นว่าเขาไม่น่าดูก็ดูตอนที่เขาตายานึกถึงตอนที่เขาตายเรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอีกปะเวลาเขาตายเราจะเก็บไว้ที่บ้านหรือเปล่าว่าจะส่งไปที่วัดจะยังจะนอนกับเขาต่อได้ไหมก็ส่งท้ายทัคืนหนึ่ง น, นหเลนรือดูอาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันสวยมันสวยภายนอกแต่ข้างภายในมันน่าไม่น่าดูถ้าเห็นส่วนที่ไม่น่าดูอารมณ์ที่อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็าหายไป นี่คือวิธีที่เราจะแก้ปัญหาการอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่เล้าเหงาอยู่แล้วาล ว, ว้าเวต้องมีเพื่อนนีก็เรียกมีหมอนข้าง <c oughs> <c oughs> เราชอบนอนกับหมอนข้างเราก็ต้องแก้ปัญหานี้ <c oughs> ไม่งั้นเรายังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆอกลับมาหาหมอนข้าง <c oughs> กลับมาหาแฟน นอนคนเดียวไม่ได้ต้องมีแฟนนอนด้วยแต่ถ้าเรามองเห็นแฟนว่าเป็นซากศพนี้เป็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเขานี้มันก็จะทำให้เราไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาเราก็จะตัดการมารมได้ถ้าตัดการมารมได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกาย การที่เรา ม, มามามีร่างกายกันเพราะเรายังอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขจากการร่วมหลับนอ น, นมีเพศสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราเห็นร่างกายที่เราจะไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยว่าหน้าเปลี่ยนหน้ากลัวเราก็ถ้านึกถึงตอนที่เขาเป็นซากศพที่ตอนเขาแก่หนังเหี่ยว ย, ย่นไปหมด แลก็มันก็ไม่มีอารมณ์อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาขั้นต่อไปอเรื่องการอารมณ์แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ภายในใจเรา ใ, ใจเรายังมีอารมณ์ขุดหขิ่มีอารมณ์ลาคาญใจมีอารมณ์วิตกกังวลมีอะไร เราก็ต้องอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นให้ได้ตอนนี้เราไม่ชอบอยู่กับอารมณ์ไม่ดีเวลาอารมณ์เสียนี่อยากจะทำให้มันหายเวลาแต่บางทีมันยิ่งไปทำมั น, มนยิ่งไม่หายเ่เราต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเหมือนกับเวทน า, า ท, ทางรู้สึกทางร่างกาย มันก็มาแล้วก็ไปเราก็อยู่กับมันได้เราก็หันอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เสียก็ถือว่าก็เหมือนกับเวทนาเวทนาก็มีสุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ก็มีสุขมีอารมณ์ที่สุขอารมณ์ที่ไม่สุขบาทีไปไได้ยินใครเขาดา่าเราอารมณ์เราก็เสีย ใครดูถูกดูแคลนเราอารมณ์เราก็เสียหรือใครทำอะไรไ ม, ไม่เราไม่ได้นางใจของเราอารมณ์เราก็เสียเราก็ต้องอย่าไปมุ่งมิด ก, กันมาก็ปล่อยมันเสียไปให้รู้เฉยๆนู่ว่าเดียวมันก็ดับไปไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องไปแก้อารมณ์ของเราด้วยการไปบอกให้คนอื่นก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้น บอกไม่ทำแล้วก็ไม่ทำเราลมเสียเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเดี<ม>๋ยวล้าก็หายเราอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทนันี้เดี๋ยวอารมณ์เสียมันก็หายไปอยู่ที่ตัวเอง อ, อยู่ที่ตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการไปสั่งไปสอนไปขอลองเขาอะไรต่า ง, งๆเขาจะทำอะไรใครจะทำอะไรก็ช่างเลยไม่ว่าคนหรือฝนฟ้าอากาศกา็เหมือนกัน รางวันก็ญหงุเหงิดก็ฝนฟ้าอากาศก็มีมญหงุดหงิดก็อากาศร้อนก็มีข้อเหล่านี้ก็ต้องทำใจให้อยู่กับมันให้ได้ทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยวางมันแล้าเราก็จะมีความสุขไปตลอด ค, อคือว่าในาสมาธิเนี่ยมันจะไม่มีเลย ใช่แต่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิตลอดเวลาออกมาใช้ปัญญาเอใช้ปัญญาไม่ให้มีของพวกนี้อยู่เรากจะมีความสงบไม่ให้ไปยุ่งกับเขาไม่ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าก็อยากเราก็นึ่งมันกลับมาใช้พุทโธนึ่งกลับมาพุทโธพุทโธตลอดเวลาที่เราตื่น แทนที่เราจะไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกเราแก้ปัญหาที่ใจเราพราตัวที่สร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สบายใจให้กับเราก็คือความอยากของเราเองอยากให้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเพราะเสียงคนเสียงเขาพูดไม่ดีก็เลยไปเปลี่ยนเสียงเขาเปลี่ยนได้ก็ก็ดีไปถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็กวุ่นไป เรามาเปลี่ยนใจใช่ว่าเขาจะเสียงไม่ดีก็เรื่องของเขา<ม>เราห้ามเขาไม่ได้เราพูดโธพุดโธเราดีกว่า<ม>เดี๋ยวใจเราเฉยแล้วเสียงก็จะดีหรไม่ดีก็ม ไ, มมไม่เป็นปัญหาอะไรแลวิธีแก้ปัญหาของพวกเราคือพยายามทําใจให้เฉยกับทุกอย่างทั้งข้างนอกทั้งข้างในอารมณ์เราไม่ดีก็ต้องเฉยกับมันปล่อยมันละปล่อยมันไม่ดีไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไปเอง ไม่ต้องไปทำอะไรบางวันตื่นขึ้นมารู้สึกอารมณ์ไม่ดีอะไรมาไม่รู้มาจากไหนตอนเราไม่พอก็อารมณ์เสียอารมณ์ก็เสียหรื อ, อตื่นขึ้นมาเป็นินึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบขึ้นมาก็อารมณ์เสีย เ, เสียก็ไม่ว่ามันเสียไม่ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปรม่ว่าไม่เที่ยง ไม่ต้องไปทำอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปเองให้รู้เฉยๆกับทุกอย่างกับอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกก็ลูกเสียงกลินก่นนกอารมณ์ภายในก็อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้รู้ทันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราไปเปลี่ยนแปลงไปบังคับของไม่ได้เสมอไปบางบางเวลาเราก็เปลี่ยนได้ลังเวลาก็เปลี่ยนไม่ได้บงเวลาก็สั่งได้บังเวลาก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งไม่ได้ก็อย่าไปกระทืบเท้าเอาค้อนมาทุบข้าวของแตกพังไหมดแล้วมันได้เลยเวลาไม่ได้เลยดังใจนี่โอ้โหโกรธเข่งมีอะไรใกล้มือจับข่ง ยับทุบทิ้งหมดได้ประโยชน์อะไรตอนนั้นธรรมะธรรมะยังไม่เข้ายังไม่เข้าจิตหรือถ้าใครอยู่ใกล้ก็ด่าเลยใส่เลยแยกเขี่ยวใส่เลยนี่คือการไม่มีสติควบคุมใจถ้ามีสติก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งสงบสบาย แล้วเวลาทำทาสมาธิกะคะสมาธิเพื่อให้้จิตนิ่งแเข้าใจสมาธิมันกนเหนื่อยไม่ใช่นั่งแล้วมันไม่เหน่อยันเหยะก็เพราะว่ากิเลม่ยาวไม่นั่งเกี่ยิเลสเรามันชอบทานู่นทานี่มันไม่ชอบอยู่เฉยเราก็ต้องใช้อย่างกราบรุที่แล้วสังเกตเรื่องเรื่อง พลังหาพลังห้ า, หหาเป็นเป็นซนะูเปอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ว่าเราจะต้องใส่ให้มันแรงเข้าไปยกศรพลานก็มีแล้วนะแต่ น, นี้ตัววิทยาตัวความเพียงความมีเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ เ, เราต้องใส่เข้าไปแรงโหมเข้าไปก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นนะบั กาปฏิบัติหนชั่วโมงก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมงได้เพิ่มแล้วไปแล้วมันก็จะได้สติมากขึ้นได้สมาธิมากขึ้นได้ปัญญามากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็พอพอพอสมาพอสติสติแรงขึ้นก็จะทําให้สมาธิอีขึ้นแล้วก็ แล้วก็ชาทำให้จิตเนี่ยรวมเร็วเพ <ừ. S 1> ราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนที่ทำจิตมันเริ่มมันเนริ่มถอนของมาว่าเราที่เหมือนเข้ามาจิตมันออกมาแต่มันออกไม่ไหวมันยังหนักอยู่กับตัวเรา <ừ. S 1> ที่ถ้าเผยเราทำแบบแรงๆทำทาบ่อยๆ <ừ. S 1> นั่นหมายว่ามันก็จะ ออกไปมันจะท้อไปเลยชั่วคราวม่มะด้ ว, า, วาจรวมใช่รวมด้วยสติไงที่มันไม่รวมเพราะกิเลสมันไม่ยอมให้รวมกิเลสมันชอบกระจายออกไปทางตาหูจมูกจังกัดแล้วก็ใช้สติดึงกลับเข้ามามันก็เป็นเหมือนการชักไระเยอะกันกิเลนึงออกสตินึงเข้าถ้าฝ่ายไหนมีกำลังฝ่ายนั้นก็ชนะ ถ้ากิเลสชนะก็ไปกินขนมไปถ้ากิเลสแพ้จิต ก, ก็หลวงเป็นสมาธิส่วนใหญ่เป็นแพ้กิเลสกนนันลูกแบบคุงนี้ทํำก่อนนั่งสมาธิแป๊บครึ่งเข้าหลวงพอละ <c oughs> ไปดูทีวีดีกว่า <c oughs> ไปกินกาแฟดีกว่า <c oughs> มันก็เลยถ้ามันแพ้กิเลสมันก็ไม่ก้าวหน้าถ้ามัน ช, ชนะกิเลสมันก็ก้าวหน้า ใจมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีความสบายมากขึ้นวุ่นวายน้อยลงไม่วุ่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอะไรเดือดมากกินมากก็มีปัญหาทางสุขภาพอีกร่างกายก็มีไขมันมีน้ําหนักเกิ น, ม, ม, นมีเบาหวานมีอะไรตามมปถ้าปฏิบัติทําท่า ถ้ามีสติแล้วก็จะจะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจร่างกายก็ไม่อ้วนไม่กินมากเกินไปจิตใจก็มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีก็จะเฉยจะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่มีจะไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวล ง่ายจะตายเป็นของดีๆเพียงแต่ไม่ยอมทํากันท่านนี่ที่มันที่มันไม่ได้กันก็เพราะมันไม่ทํากันพราะกีเรศพรกิเลสไม่ยอมไม่ทํากิเลศมันจะหลอกให้ไปดูไปฟังไปเที่ยวไปกินไปดื่มนั่นแหละอย่างหมคนเราทําอะไรกันบ้างวัน ๆ, ๆหนึ่งนอกจากทํางานเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรกันมันก็ติดอยู่กัน ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาทําอย่างเดิมเงกินมาเที่ยวต่อแล้วก็มาทุกเวลากินไม่ได้เที่ยวไม่ได้สมัยนี้มีคนเขาอยากจะฆ่าตัวตายถ้าไปไปเป็นมะเร็งหรืเป็นอะไรเป็นโรคที่หมอรักษาให้หายไม่ได้บอกว่าจะต้องตายใน6 7เดือนนี่เขาบอกอยากจะตายก่อนไม่รู้จะอยู่ไปทําไมหกเจดเดือนอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่แต่ความทุก แต่เขาไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาหนีเวทนี้ทุกขเวทนาเดี๋ยวก็ไปเจอกันข้างหน้าค่ฆาตัวตายเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาเจอแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยการฝึกสติทำใจให้เฉยก็อยู่กับมันได้นะแต่ก็จะอยู่แบบไม่เดือดร้อนอยู่อย่างเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีความสุขแล้วก็อยู่แบบไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทุกขว่ายังมีความอยากหาความสุขจากทางร่างกายแต่ก่อนจะกลับมาก็ต้องไปตกนรกการฆ่าตัวตายนี่ก็เป็นบาปทํ<ะ>าทใจให้ทุกข์มากการที่จะห น, นีความทุกข์กลับไปเพิ่มความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายวิธ<ม>ีที่จะห น, น, นีความทุกข์ก็คือต้อง ใช้สติเดียวพุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดที่จะฆ่าตัวตายหยุดความคิดที่อยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปก็อยู่กับมันไปอย่างที่เหมือนเราเวลาเจอทุกขเวทนาเราก็พุโทโธพุโทโธไปพอใจเราสงบแล้วเราก็เฉยกับมันอยู่กับมันได้มันจะทุกข์ก็เรื่องของมันแต่เราไม่ทุกข์กับมันเราไม่ทรมานกันร่างกายมันร่างกายมันทุกข์ ร่างกายมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายมันไม่ได้บ่นว่าฉันทุกข์เลยแล้วใครเจ็บนะอ่าก็นั่นสิร่างกายมันเจ็บแต่มันไม่บ่นไมันม่บ่นมันมีปากแต่มันไม่บ่นอ่ามันไม่บ่นแล้วจิตนะนั่นแหะจิตไปบ่นแทนร่างกายอะไราร่างกายมันอยู่ได้กับความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเหมือนต้นไม้มันไม่รู้แก่รู้เจ็บรู้ตาย มันไม่รู้ว่ากระดูกมันเจ็บกระดูมกดมันก็เป็นกระดูกแต่แต่คนที่มารู้ว่าคือใจแล้วพอรู้แล้วมันไม่ยอมไม่ชอบวอยไวา<แ>ยแทนอ่าวอยวายแทนทุกแทนร่างกายวอยจริงจทุกทรมานแทนร่างกายแต่ตอนนี้เรารู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกทรมานอ่าให้เราเป็นเหมือนร่างกายร่างกายมันไม่ทรมานใจเราก็ไม่ทรมาน ร่างกายจะเจ็บก็เราก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอันนี้กระจกใจไนะถ้ามีความอยากอะไรก็ต้องตัดมันคือถ้าเป็นความอยากที่ทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีก็ต้องตัดถ้าเป็นความอยากที่ทําให้เกิดอารมณ์ดีก็ไม่ต้องตัด อยากจะทำบุญอยากจะนั่งสมาธิทาแล้วทาให้ใจสงบนี้ก็ทาไปแต่ถ้าอยากจะกินกาแฟก็อย่าไปกินว่ากินแล้วอยากแล้วมันถ้าไม่ได้กินก็ไม่สงบกินแล้วมันก็อยากไปกินอีกอย่างนี้ความอยากไม่ดีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดีแต่ความอยากที่จะออกจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ดียิ่อยากจะถือสินแลกอย่างเงี้ยดี อยากจะนั่งเฉยๆไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรดีถ้าทำได้มันก็จะมีความสุข่อ า, าจารย์ทา่านลูกมีปัญหาอยากไเรียนทางกิาการพิจารณาท่าสีติ้นน้ำลงไฟนหมนะพี่ชั้อพอพิจารณาท่าตินเนี่ยใมัคิดของดินอย่แล้วเลแต่ทีนี้พอเราเมืพิจารณาผมว่ามันเป็นท่าตินเนี่ย มันมันค้างกันนะคะลูกก็เลยคิดว่าธาตุนีน้คือคือของที่มีลักษณะมีรูปร่างพื้นที่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงขึ้ื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ได้ไหมคะเทียบเทียบกับเธาตุาา น, า น, น้ําธาตุน้ามันเป็นของที่ที่ไม่คงที่ไหลเปลี่ยนไปตามรูปร่างมันไหลไปลอยมา มันมันเกิดความสับสนอย่างพรพูดว่าเส้นผมนี้เป็นเป็นเป็นเป็นธาตุดินเนี่ยนะคะไม่ใช่กายมันค้านบอกว่าไม่ใช่เป็นดินมันมันไม่ได้เป็นดินเรียนไปทิ้งมันไว้ทักพักเดี๋ยวมันก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปถ้าถ้าถ้าเกิดอลูกให้ความนิยามว่าธาตุดินนี่คือคือคือธาตุที่มีลักษณะที่เป็นของแข็งมีรูปร่างคงที่ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาด้วยตัวเองไม่ได้ อย่างนี้จะใช้ได้มั้ยเจ้าคะมันมันก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้ทําอะไรคือคือใจมันค้างนะครใจมันค้านตัวใจเนี่ยมันค้านมันไม่ใช่ท่าดินแล้งมันเป็นท่าอะไรอ่ะคือถ้าถ้าพูดถึงท่าดินปักเหงื่อใจมันจะขิดนึกถึงดินอะแล้วผมเนี่ยไม่ใช่ดินนะยังมองไม่เห็นจ้าค่ะก็ลองไป เออทิ้งเนื้อดินนูนแล้วไปดูต่อไปมันก็กลายเป็นดินแบนคือคือจะพูดแต่ว่าดินคือคือดินเหรือคะหรือว่าหรือว่าคือคือมันมันมันใจใจมันไม่พอพอพิจารณาแล้วใจมันไม่ไปอะค่ะใจมันมันมันมันไม่เห็นด้วยมันทานอใช้ใช้วิธีอะไรที่จะมองให้เห็นว่าอย่างชัดเจนแล้วเอออย่างผมเนี่ยนะ ผมขนเล็บฟันเนี่ย ม, มันมันมันใช่ธาตุินแหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเกระดูกเืยอะในกระดูกน้ำหัวใจโปตัดไตอะไเพื่อเต้อมันเป็นธาตุินแหละมันมันม่นนะค่ะท่านอาจารย์ถไม่แค่ ค, คือคือลูกลูกใช้ําจํากัดความลูกที่ว่าธาตุินเนี่ยมันควรจะเป็นของขอ ง, ขอ ง, ของแข็งของที่ลักษณะเคลื่นอนไหวไม่ได้เมื่อเทียบกับธาตุ น, น้ําน้ําเนี่ยมันธาตุน้ํานี่มันเห็นชัดแล้วผมมันเคลนแล้วผมมันเคลื่อนไหวไปไหนได้ล่ะ มันเคลื่นไหวไม่ได้เหรอคะอ่าก็ท่าเดินก็ก็คุณบอกว่าท่าเดินเคลื่อนไหวไม่ได้อ่าแล้วผมมันเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะอ่าแล้วทำไมไม่ใช่เป็นท่าดินเนี่ยใช่อย่างนั้นได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดลูกกิดคิดคิดไปในทางแบบนั้นนะคะไม่ทราบว่าท่านได้การเข้าเข้าใจคำถามรูกหรือเปล่าคือคือคือเวลาพิจารณาแล้วใจมันช้านมันมันช้าน คือที่ให้เห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟก็เพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนทั้งนั้นแหละผมนี่มันมีตัวตนหรือเปล่า <c oughs> ก็เท่านั้นแหละถ้าจะไปเอาอะไรกันใหม่ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วยังเป็นตัวเราของเราอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ลองโกนทิ้งไปเลยว่าใครจะหวงถ้าถ้าใจยังหวงอยู่ก็ยังแสดงว่ายังถือว่าเป็นของตัวอยู่ มันเป็นท่าเดิมมันไม่ใมันนของอยางไ่ใช่เลออ่าอก็ให้ดูจะได้ปล่อยวางไม่ให้ยึดติดยังไงยังยึดแต่ส่วนไหนของร่างกายอยู่เปล่ายังยึดยังยึดขนยังยึดผมรอเปล่าต้องไปเปลี่ยนสีมันรึเปล่าต้องให้มันเป็นสีตามที่เราอยากได้รึเปล่าอันนี้ก็เคยเห็นว่ามันร่างกายนี่มันทำมาจากธาตุทั้งสี ทั้งสีก็มาจากส่วนที่แข็งก็เรียกว่าดินส่วนที่เหลวก็เรียกว่าน้ำส่วนที่ร้อนก็เรียกว่าไฟส่วนที่มองไม่เห็นที่เป็นลมนี้ก็เรียกว่าลมลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นลมมันมนสี่อย่างมารวมกันมันก็เลยมาผสมทำให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็มเป็นกัน ซึ่งผมมันก็ไม่มีตัวตนขนมันก็ไม่เป็นตัวตนแลบก็ไม่มีตัวตนอาการทั้ง32ที่รวมเป็นเข้ามาในร่างกายนี้ไม่มีตัวตนสักชิ้นเดียว<ม>เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเรานี่คือเราผิดจิตใช่ไหมคะแต่แทําำตัวเราคือจิตตอนนี้คือจิตคือตัวไหนก็ที่ไปยึดมนะันอะตัวนั่นะมันไม่ได้เป็นร่างกาย เราเรียกว่าตัวจิตตัวรู้ตัวคิดก็แล้วแต่ไ อ, อ, อตัวที่เรากำลังสอนเนี่ยไอตัวที่กำลังโง่อยู่เนี่ยตัวที่ยังไปคิดว่ า, า, าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราหเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราให้มันอย่าไปยดึดอย่าไปติดมันปล่อยมันมันจะแกะ่ก็ปล่อยมันแก่ห้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปไม่ต้องไป ทุกข์กับมันไม่ต้องไปกังวลกับมันเพราะเราก็ห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงตานลักษณะอย่างนั้นนเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปตามตามธรรมชาติของมันมันเกิดแล้วมันก็โตโตแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจยนแล้วก็ตายก็ให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราก็ร่างกายคนอื่นเรารู้เปล่าเป็นตัวเราของเรานะ ร่างกายของนี่ของเรานี่เป็นของคุณก็แบบแล้วคุณก็ไม่ยดึดไม่ติดมันใช่ไหม ร, ร่างกายนี้ตายไปคุณก็ไม่เดือดร้อนเนี่ก็ก็ให้ดูร่างกายที่คุณกําลังมีอยู่นี่มันก็เปิดเหมือนกับร่างกายของคนอื่นแต่คุณไม่เดือดร้อนเองเพราะคุณยังถือว่าเป็นของคุณอยู่เป็นตัวคุณอยู่ก็ให้ดูว่ามันไม่ได้เป็นตัวคุณถ้าคุณไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่น มันก็ไม่ควรจะดือดร้นกับร่างกายของคุณที่มกาน้ไนอาาแล้วาพิจารณาต้าเยอะจะช่วยได้มาสุามันก็จะช่วยตัดการมารดะรงกไม่ยึดติดก็ถ้ารู้อาการสามสองมันก็ไม่ยึดติดมันก็มันก็มีแต่อาการส2แต่มันไม่มีตัวเราของเราอยู่ใน ผมก็ไม่มีตัวเราไม่อยู่ในเล็บในฟันในหนังในเนื้ อ, ใ น, นอในเอ็นในกระดูกก็อย่างนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นสักแต่ว่าอาการ32เราดูรูปดูรูปที่แบคุตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตั ว, วเราก็เปรงนี่นีนี่นี่เหนือใจนี่ใจก็ถามก็ถา ม, ถามเราว่า เ, เราอยู่ตรงไห น, นเราอยู่ที่หัวใจเราอยู่ที่ลำไส้เราอยู่ที่ฟัน อยู่ที่เล็บอยู่ที่ขนเวลาเราตัดเล็บทิ้งไปเราหายไปกับเล็บรืกเปล่าเวลาเราถอนฟันไปส่วนนี้เราหายไปกับมันหรือเปล่าก็ให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นมันมันจะไปก็เรื่องของมันมันจะอยู่ก็เรื่องของมันเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะอยู่เราก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะไปเราก็ห้ามมันไม่ได้ แล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นรู้ตามความเป็นจริงอย่าไปทุกข์กับมันที่ทุกข์เพราะอยากให้มันอยู่ไม่อยากให้มันไปนี่พิจารณานี้เพื่อให้มาหยุดความอยากเท่านั้นแะความอยากที่เกิดจากความหน่องคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราใด้พิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของยืของยืมมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ามลมไฟเป็นตัวที่เป็นตัวประกอบ เป็นตัวที่สร้างให้เกิดอาการ32าวีสองนี้ขึ้นมาข้าวที่เรากินเข้าไปใช่น้าที่เราดื่มเข้าไปขนี่ากกระทัดินใช่ไหมถ้ า, ข, า, า, าข้าวมันมาจากไหนแล้ไม่มาจากข้าวมันมาจากลมหรือเปล่ามันไม่จะมาจากลมมันอาจจะมีลมเป็นส่วนผสมธาตุทั้งสีมันต้องมาผสมกันถึงจะเกิดเป็นแต่ธาตุไหนเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวธาตุหลัก ข้าวนี่มันมีธาตุดินเป็นธาตุหลักมีน้ำมีอะไรมาผสมจึงทําให้เกิดเป็นเมล็ดข้าวขึ้นมาแปลงจากดินมาเป็นเมล็ดข้าวก็ต้องมีน้ามีลมมีไฟมาผสมกันความร้อนมีความร้อนแสงแดดถ้าไม่มีความร้อนต้นั้วโลกเหนือนี่มีไม่มีความร้อนปลูกต้นไม้ได้หรือเปล่ามีแต่โตมีแต่หิมะมีแต่น้ําแข็ง ถ้าไปทะเลทรายก็ไม่มีน้ําองก็ปลูกไม่ได้ปลูกข้าวได้เปล่าที่ทะเลทรายมีแต่ดินกับลมกับไฟแต่ไม่มีน้ําถ้าไปคั่วโลกเหนือคั่วโลกใต้ก็มีแต่น้ํำมีแต่ดินมีน้ํามีดินมีมีฟมีลมแต่ไม่มีไฟมันก็โตขึ้นมาไม่ได้ในของทุกอย่างจะโตขึ้นมาได้มันต้องมีข้าทั้งสี่มารวมกัน แล้วมันก็รวมแล้วมันก็มันก็เป็นเป็นเป็นถ้ามันแข็งมันก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันเหลวแล้วก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ําเป็นส่วนใหญ่เช่นเลือดในร่างกายนี้มันก็เป็นน้ําส่วนใหญ่น้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเหนือน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเหลวแต่ในน้ํานี้มันก็มีธาตุดินผสมอยู่ใช่ไหมในเลือดมันก็มีอาหารมีมีธาตุดินเหมือนกันแต่มันเป็นส่วนน้อยนะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นธาตุน้าส่วนลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าออกนี่น e. ส่วนใหญ่มันก็เป็นธาตุลมม่นธาตุดินก็มีฝุ่นติดเข้ามาบ้างมีละอองมีอะไรที่อยู่ในอากาศที่เราดูดเข้าไปแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นธาตุลมธาตุน้ำที่เราเด่นเข้าไปน้ำที่งน้ำสาอาดนี่มันก็เป็นธาตุน้ำก็ยังมี ม, มีมีเกลือแร่อยู่นิดหน่อย ธาตดินผสมกันไหมแต่มันน้อยมากเมืเ่อเวลาเราตื้นดินน้ำน้ำไฟที่เราใช้ในกุฏิศาสวิยาเนี่ยมันมันไม่ไม่ไปไรายละเอียดอย่างทางวิทยาศาสตร์มันเป็นมาไปอีกเรื่องหนึ่งก็ <c oughs> มันก็แล้วแต่เราจะมองไงมันก็พราว่าทา่านอนคือแบบว่ามีดินเนี่ยคือเป็นเป็นธาตุเป็นเป็นธาตุย่าง ทางเคมีมีมโคจัคเซียมแมกนีเซียมมีธาตุเมล็กธาตอือะไรเงี้ยมันเราไม่ต้องไปดูถึงนะขนาดท้อยมันท้อยมันเป็นเป็นของแข็งแล้เราจับดูเนของเราค่ะงไปดูมันทำไมก็เห็นชัดชัดเนี่ยต้นไม้คุณปลูกเนี่ยมันเวลาคุณปลูกผักปลูกต้นไม้เนี่ยคุณใช้อะไรปลูกใช่ไห ม, มต้องใช้ดินหรือเปล่าใช้น้ำหรือเปล่า แล้วมันก็กลายเป็นผักขึ้นมาเอาคุณกินเข้ามาในร่างกายมันก็กลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันขึ้นมามันก็เห็นชาติชาติอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปโพแทสเซียมไปอะไรให้มันบ้าบอคอแตกเลยเออถ้าเราเจรณาแบบนี้ทุกวันแล้วจิตมันจะปล่อยวางเองหรือว่าเราต้องมาคับให้มันปล่อยวาง้าใจะคอยปล่อยวางถ้ามันเข้าใจมันก็ปล่อยมันคือมันมันจะปล่อยเพราะว่าถ้ามันไม่ปล่อยมันทุกข์แกมันจะมันทุก ที่มันจะปล่อยเพราะว่าถ้าไปยึดไปติดแล้วมันทุกข์ดวงตาไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราเวลามันจะไปเนี่ยเราละมันถ้าเราไม่อยากให้มันไปเราทุกข์ไหมเวลาหมอบอกว่าต้องเอาพักตาออกนะใช้ตาไม่ได้แต่ต้องทุกทุกวันใช่ไหมคะทุกๆนาทีเราต้องแบบกเวลาก็าจริงถ่าเราไม่ลืมอะถ้าเราไม่ลืมแล้วเราก็หยุดได้ไม่ต้องคิดถึงมันถ้าเราจําได้ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วเราไม่ยืดไม่ติดแล้วมันก็จบแต่ถ้าเรายืดเราติดเมื่เราทุกกับมันก็แสดงว่าเราเราหลงเราลืมแล้วเราก็ต้องมาสอนใจเหมืนว่าเฮ้ยเป็นของเถอะนะต้องมาขอคืนแล้วแล้วของเดิมก็มาขอคืนนะไปยืมดินน้ําลงไฟมาตอนนี้ยืนน้ําลงไฟบอกฉันขอกลับเอาคืนแล้วคือมรรณะลุกสติกับอสุภรพ์นี่ต้องคล้องแบบทุกวันเลยต้องแบบว่า เป็นรายงาทุกวันให้มันใจมันปล่อยวางอ่างนี้ถ้ า, ามันปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปแต่ถ้ายังดูแลรักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามล้าไม่รักษาก็ได้รักษาก็ได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปแทงจุดที่รักษาไม่ได้อยู่ดีบางคนขี้เกียจรักษาก็ไม่รักษามันตั้งต่ขนายังรักษาได้ หลงปู่หลงตาที่ท่านอยู่วาดกันถ้าไม่ไปรักษาโรงพยาบาลว่าท่านขี้เกียจ่ารักษาวันนี้หายเดี๋ยวอีก2วันมันก็เป็นใหม่ลยก็เลยปล่อยมันไปนอยู่ไปตามธรรมชาติของมันยังอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปเพราะในที่สุดมันก็ต้องไปคนที่ยินดีจะปล่อยแล้วก็จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้คนที่พร้อมที่จะปล่อยแล้วหรือปล่อยได้แล้วก็จะไม่ไม่เดือดร้อนรับ เพราะว่าใจไม่ทุกข์กับมันที่ที่ที่ให้ปล่อยเพราะมันจะได้ไม่ทุกข์ถ้าไม่ปล่อยแล้วมันจะทุกข์ไม่ได้บังคับให้มันปล่อยแล้วแต่ให้มันเห็นว่าที่ที่ทุกข์อีตอนนี้ก็พาอไม่ยอมปล่อยพราะไปยึดไปติดหนูไม่รู้ว่าจิตมันจะปล่อยวางเองหรือเราต้องบังคับมันถ้าเรา่องทุกวันอะนี้ไอ้นี้นี้ไม่ใช่ของเราเลย เดี๋ยวเราก็ต้องตายก็บางทีก็ต้องบังคับเหมือนถ้ามันไม่ยอมเราก็ต้องพูดโธพุทโธเหมือนดึงต้องบังคับดึงมันกลับมาที่ให้มานนั่งพุทโธพูทโธเพือบังคับไม่ให้มันดื้อตอนนี้มันดื้อใหญ่ไหมอ่าได้ให้พุดโธก็เพื่อจะได้แก้ความดื้อของจิตเพอเราพุดโธพูดโธมันก็ไปยึดไม่ได้มันก็ต้องปล่อยพอปล่อยเราถึงจะเห็นประโยชน์ของการมีพุทโธว่า โอ้สบายหนิว่ะใช่ไหมแต่ตอนต้นนี่มันมันทุกข์เพราะว่าพุฒมันไม่ยอมให้เราพูดโทอีกอ่ะพอจะพูดโทแมันก็มันก็แ ส, สดงอาการ อ, อืดอัดขึ้นมาละอ่าได้เลยคุณต้องมีประสบการณ์ถึงว่าในการดื้อถือว่าเราต้องเห็นผลว่าผลที่การดึ้อเนี่ยเราได้อะไรทีม่มันไม่ได้เลยก็ได้ความทุกข์ไปได้ความทุกข์ไปเรก็ ตแต่อย่งญญายงไรก็ เ, รเปลี่ยนได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าทุ ก, ก็ยังดื้ออยู่นะ เ, ออเด็กบอกว่าอย่าไปเสพ ย, ยาเสพติดมันก็ยังดื้อไปเสพอย่นะแต่ทีนี้พอมาได้ผลว่ามันเสียหายกับตัวเองก็ออพยายามแก้ถ้ามีปัญญากนะ็ออาจะได้มาเห็นนะออได้ ม, มนนดนเนแต่งหน้ายหน้ากาจะเหี่ทำจมูกจมูกหลุ ไเงี้ยฮะมันต้องมีผลนะตาจงใจปัญญาดูแต่บางชิมก็ต้องไปลองนะคนที่อะไรที่ไม่ดีไม่ดีที่เกิดาอยากลองอยากลองดีจะช่วยไม่ได้คนที่แล้วมันจะิอัดมันแน่นมถ้านั่งดูหนังไม่อ่นอัด้ร้องถ้าร้องคโอเะคาาโอเกะนี่อึดอัด เวลาคาราโอเกะเออุดอัดพอมันไปทําในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็เลยอึดอ่าใช่ก็อยากไปสนใจมันพยายามฝืนมันทําไปแล้วเดี๋ยวพอมันพอมันยอมแพ้มันก็หายอึดอัดเองอ่าอ่าต้องคือเราพอเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะรู้สึกขยะแยงจะรู้สึกอึดอัดต่อต้านขึ้นมาด้านในอ่าขึ้นไปหมดแล แต่พอให้ไปทำของที่เราชอบนี่โอ้โหมันมอนนกบินเลยใชไหก็ต้องพยายามฝืนไปทำไปใหม่ๆมันก็จะยากเพราะว่ามันจะเกิดอาการรู้สึกเน่ยผ อ, อื่นพระองค์กืนไม่เข้าน <c oughs> ัา่งภาวนาต้องนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งก็ได้ก็ถ้าถ้านั่งัดสมาธิได้มันก็ดีเพราะต่อไปมันจะ จะได้นั่งได้นานถ้านั่งเก้าอี้นี้บางทีมันนั่งเอาเดียวตัวมันจะเอ็นไปเอ็นมาไล่แล้วมันจะล้มได้ถ้านั่งท่าขัดสมะนี่มันจะเป็นท่าที่ทําให้ร่างกายมันไม่ไม่ไม่ล้มแต่ถ้ายังนั่งไม่ได้จะนั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากจะนั่งนานๆต่อไปก็ต้องเปลี่ยนมานั่งในท่าขัดสมาะเพราะนั่งท่าขัดสมาะมันสบายกว่านั่งที่เก้าอี้ บางทีงเก้าอี้ไปนั่งไปสักพักเดียวมันก็จะเอนได้มีปัญหาอีกอย่างนึงจะตัง้งใจกัน่ะ เ, เวลาพิจารณาร่างกายไปสวดตามส่วนต่างๆเนี่ยในขณะเดียวกันมีเกิดความปวดเขาขึ้นมาเข้ากันที่เป็นโรคเกี่ยวกับเข่านะคะจิตเนี่ยมันจะหันกลับมาพิจารณาความปวดที่นี่ทันที พิจารณาจนกทั่งใจมันปล่อยวางถ้าปล่อยได้ก็พิจารณาปล่อยได้ค่ะแต่แต่แต่ไอการที่พิจารณาว่าเราพิจารณาร่างกายแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาเวทนาเมื่จากเวทนากลับมาพิจารณาร่างกายอย่างนั้นได้ไหมคะกลับกับมาได้ได้แล้วแต่อันไหนเป็นปัญหาก็แก้ปัญหาตัวนั้นไปก่อนร่างกายที่เราพิจารณายังอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะยังไม่ตายพอเวลาตายนี่เราก็ต้องปล่อยวางร่างกาย แเรวก็ต้องปล่อยว่ามันเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายคือถ้ากิตนิ่งนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่กระวนกระวายไม่กระวนกระวายไม่ทุกข์กับอะไรนั่นค่ะกิจมันไม่รวมลงนะคะไม่ต้องรวมอันนี้มันต้องเปิดมาต้อรการให้มันรวมต้องการให้มันหายทุกข์เท่านั้นเองให้ต้องการให้มันเฉยไม่ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายหรือถ้าเป็น ถ้าใจเดือดร้อนกับเรื่องไหนก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นถ้าเดือดร้อนกับเงินทองก็พิจารณาเรื่องเงินทอง <depict. S 1> เงินทองมันก็ไม่เที่ยมมันก็มีวันจะต้องจากกันไปถ้ามันจะจากกันวันนี้ก็ให้มันไปถ้าเราไม่อยากให้มันจากเราก็จะทุกข์กับมนไม่ไมว่าเราจะทุกขกับเรื่องอะไรเราต้องเ ร, เราต้องหยุดพิจารณาเรื่องอื่นแล้วมาพิจารณาเรื่องที่กลาลังทาให้เราทุก เพให้เราปล่อยวางมัน hmm. like <Okay. S 1> ให้เรายอมรับกับสภาพความเป็นจริงของมันมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปแล้วถ้าปิดเที่ยวอ่ะให้ให้ทีจะร้านอะไรอะคะปิดเที่ยวเลยปิดเที่ยวเกิคิดว่ามันเหมือนยาเสพติดนี่ยก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินเที่ยวก็ทุก แต่ถ้าไม่ติดเที่ยวอยู่บ้านสบายไม่ทุกข์ก็ดูที่ความทุกข์กองหรือว่าถ้าเราเที่ยวถ้ามีเงินเที่ยวมันก็ไม่ทุกข์แต่พอมันเงินหมดมันไม่ได้เที่ยวมันก็ทุกข์เองเพราะความอยากเที่ยวมันไม่ได้หมดไปกับเงินล้วก็อาจจะต้องไปทําหาเงินโดยวิธีไม่ชอบไปทําบาปไปทําผิดกฎหมายเพื่อจะได้เงินมาเที่ยวก็ไปขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกลงไปเรื่อย แต่ถ้าเราไม่เที่ยวเราอยู่บ้านเฉยๆได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องเงินทองเงินทองก็ไม่สูญเปล่าไปมีเงินทองสำรองเก็บไว้ใช้ในของที่จำเป็นได้เวลาขายของไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใช้เงินทองไปเที่ยวนี่นเงินก็จะหมดมันก็ต้องหาเวลาหาไม่ได้ก็เครียดขายของแล้วไม่ได้ของไม่มีคนมาซื้อก็เครียด ตอนนี้พัทยาเครียดกันทั้งเมืองก็เขาให้ปิดเ <c oughs> ขาให้ปิดปิดบาร์ผับกันอ็เลยเครียดกันเพราะว่าธรรมดาจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวกันไปเล่นไปกินกันทีนี้มันไม่มีแนละ้วมันไม่มีรายได้เข้ามาแขกไม่มากันเพราะว่าเขาสั่งให้ปิดบาร์ <c oughs> ปิดบาระไรกันก็เลยเครียดกันนะทกุกันก็ต้องมองอย่างนี้ว่าเป็นทุก การไปเที่ยวไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขการไปเที่ยวเป็นการไปหาความทุกข์ในระยะยาวตอนต้นมันสุขอย่างที่วันก่อนเทศได้ฟังมันเป็นสุขต้นสุขตอนต้นแต่มันจะไปทุกข์ตอนปลายทุกข์ตอนที่ไม่มีเงินเที่ยวหรือทุกข์ที่ตอนที่แก่แล้วไปเที่ยวไม่ได้ถ้าตอนแกปฏิบัติทำไงคะถ้ามันปฏิบัติถ้าตอนนี้มันปฏิบัติไม่ได้ตอนแก่มันจะปฏิบัติได้ยงไหมมันก็ปฏิบัติไม่ได้ เนี่ยกิเลสมันชอบหลอกเร <c oughs> าแกล้ไวไปไหนไม่ได้แกแล้วไปไหนไม่ได้องมาวัดยังไม่พางเลยนะมันบอกเดินช้าแกแล้วเด็กก็ไม่ไหวไม่ไหวถ้ายังมาได้ก็ยงถือว่ามีบุญบางคนไม่ไม่ยอมมาเลย ว่ามาว่าก็ลำบากนะนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบจะกินจะอะไรไม่ก็ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านาท่านอาจารย์จะท่านลูกเออฟังเชฟฟังเชฟของนีงแรมตะปูชุดเตรียมพร้อม น, นะคะหลังจากที่ป่วยเมื่อปีที่แล้วกลับไปก็เริ่มฟังแรกก็ฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจบ้าง แต่ตอนหลังนี่ฟังฟัปงปอกเข้าใจว่าท่านพูดหมายความว่าไงใช้ใช้สิ่งที่ท่อนข้านอาจารย์สอนน่ะแตกออกมาอีกทีนอนนี้ท่านพูดถึงเรื่องออจิตเดิมเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่ประภาสสอนแต<ม>่อยู่ใ น, นมรรคแล้วก็จิตจิตบริสุทธิ์จิตผ่องใสแต่อยู่ในวิวัตต์มันมีความแตกต่างยังไงก็ต้่านอาจารย์ะ คือจิตเดิมก็จิตที่อยู่ในสมาธิเนี่ยเา mm hmm. เรียกว่าจิตเดิมเมื่อเรานั่งสมาธิเราก็ดึงจิตให้กลับเข้าไปอยู่ที่จุดเดิมของจิตคือจุดจุดที่จิตสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้อันนี้เรียกว่าจุดเดิมจิตเดิมแต่จิตเดิมนี้มันก็ยังมีกิเลสอยู่มีความโลภโกรธหลงอยู่มันก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เวลาที่เราออกจากจิตเดิมออกมามันก็จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายแต่จิตที่บริสุทธิ์นี้เป็นจิตที่เอาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆออกไปหมดเขเรียกเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นจิตที่ไม่มีตัวที่จะเดินไปให้เวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าวิวัตวิวัตะวัตตะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดวิวัตตะก็คือการไม่เวียนว่ายตาย นักจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเจ้าค่ะเป็นจิตที่แคลกับว่าไอ้นนี่ยังปฏิบัติไม่ถึงนะครับท่านอาจารย์ก็แต่ขาก็แต่แต่แต่อยากอยากทราบเพื่อฟังแล้วมีข้อใจคือคือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยตอนตอนที่เราพิจารณาเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะคะเราลึกเวทนาเนี่ยเราเราพูดว่าร่างกายเป็นดินน้ํำลงไจตัวแต่แต่แต่แต่แต่เราคือ ธาตุรู้หรือจิตเนี่ยนะคะแยกกันไปเพื่อให้เห็นชัดเจนแต่ตอนนี้พอพอพอพอผ่านพวกนี้แล้วผ่านลู ป, ประคันนามขันแล้วก็จะมาถึงจิตที่สว่างแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะถึงจิตพอมันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจิตตัวนั้นนเป็นธาตุรู้เฉยๆแล้วมีเจ้าของไหมคะไม่มีแล้วหรือเป็นแต่เฉพาะธาตุรู้เฉยๆ อ, อย่างจิตของพระอรหันต์นี่ท้าสร้านเขาเป็น เป็นตัวของท่านหรือเป็นอะไรเนี่ยหรือไม่มีแล้ว ท, ท, ท่านท่านอาจารย์เข้าใจไหมคะจิตจิตทุกดวงไม่มีเจ้าของเพียงแต่แตกิเลสนั้นไปครอบครองเองว่าเป็เปนไปเป็นเจ้าของขึ้นมาเองอเพอทําลายกิเลสหมดแล้วมันก็ไม่มีใครมาครอบครองเป็นเจ้าของเหมือนร่างกายนี้เรากิเลสมันมาครอบครองว่าเป็นของเราพอเราปัญญามาสอนว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของนิน่งน้ำลมไฟเราก็หยุดกิเลสมันก็หยุด ทำหน้าที่ครอบครองกิเลสเนั้นก็ตายไปเพราะกิเลสตายไปหมดมันก็ไม่มีใครมามามาครอบครองร่างกายไม่มีใครมาครอบครองใจใจก็เป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้ไปเท่านั้นเองเฉยเฉยโดยที่ไม่มี กิเลสไม่มีอะไรก็มามาเห็นก็เห็นธรรมดาไม่มีอารมณ์ได้กินก็ได้ยินธรรมดาไม่มีอารมณ์ใช่ไหมคะก็เป็นชาติรู้ที่ที่ที่อยู่อย่างนั้นไม่มีกิเลสที่จะทําให้ไปเกิดใหม่่าีีเรยกวนไม่มีความอยากไม่มีความโลภความโกรธความเมื่อเข้าใจแล้วพ่อจะถามขอบคุณมากขอบคุณอย่างสุดเะพ่อจะวาว่ว่าว่าว่า ทำไมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมที่จะต้องไปนี้จิตเดิมเป็นพระวัตสอนเวลาเราเข้าสมาธิจิตมันสว่างสงมแต่มันยังเป็นจิตที่มีกิเลสอยู่แต่ส่วนจิตบริสุทธิ์นี่เป็นจิตที่เราได้ชําระกิเลสด้วยการเจริญวิปัสสนาดัดความอยากกับสิ่งต่างๆให้หมดไปความอยากไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราพอความอยากความหลงที่ไปยึดไปติดถึงต่างๆว่าเป็นเราของเราหมดไป จิตก็สะอาดบริสุทธแล้วแล้วที่ท่านเข้าจารที่ ท, ที่ที่หลวงตาบัวท่านพูดว่าพอพอผ่านผ่านรูกประคันานามประคั น, น, นแล้วเนี่ยจิตมันจะสะว่างสวายอยู่ตลอดเวลาแต่มันยังมีอวิชัยอยู่อ่าเป็นกิเลสตัวละเอียดไงตัวที่ยังไปเป็นเจ้าของความสว่างสวายนี้อยูอ่แล้วเรายังรู้ไม่ว่าเป็นผิดเราข้าอาจารย์เรายังรู้ไม่ว่าเป็นผิดของเราที่มัน เราก็รู้ว่ามันเป็นจิตแต่เรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเราเรารู้ว่าเป็นจิต เ, เ, เรารู้ว่าเราไป เ, ออเราคือมันมันไม่ได้เป็นของเราเราจะไปไปว่ามันเป็นของเราได้ยังไงแล้วเมื่อมันไม่มีตัวเราเราจะจะไม่มีอะไรเราไช่ไหม แต่ไม่รู้แล้ว ว, ลว่าคุณไม่เคยชื่ออันนี้อะไรเนี้ยไม่รู้แล้วใช่ไหมรู้พระพุทธเจ้ายังรลืกชาติก่อนได้อันนี้มันเป็นสัญญาเป็นความจําชาติก่อนเคยเป็นพระเวสสันดรเคยเป็นพระเตมีเคยเป็นพระอันนี้มันเป็นสัญญา อ, อันนี้ก็รู้ได้เหมือนเดิมอันนี้ไม่เกี่ยวกับบริสุทธ์หรือไม่บริสุทธิ คนที่จาได้จิตมันนอกจากมันตัวรู้แล้วมันมีตัวคิดตัวจาด้วยไงไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตายไปแล้วไม่ม<อ>ีทานแล้วก็ยังรู้ว่าตัวนี้เป็นมีนสัญญาจำอยู่ใช่ไหมคะมีเพียงแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ไปใช้ทำอะไรเท่านั้นเองไ ม, ม่ต้องไปจากับเรื่องอะไรไม่ต้องไปจาวันที่ต้องจ่ายจ่ายค่าน้าค่าไฟไ ม, ไม่ต้องไปจาว่า <c oughs> คนนี้เป็นแฟนเราคนนี้ไม่ใช่แฟนเรา มมันอยู่ตามลำพังมันไม่ต้องมีมันก็ไม่ต้องใช้ความจำไม่ต้องใช้ความคิดมันก็อยู่ไปเฉยๆสักแต่รู้ไปก็เหมือนตอนที่เราอุเบกขาของเราไปอุเบกขาอย่างเดียวอะไรจะมาอะไรจะไปก็เรื่องของเขาหลวงพ่ะพุทธเจ้าขั้นก็ขึ้นกันรู้ว่าไอ้จิตตรงเนี้ยจิตตรงเนี้ยของทําไม่ใช่ของท่านแต่ว่าเป็นจิตเป็นจิต ก็รู้เป็นตัวรู้ไงเวลาอยู่ในสมาธิก็รู้อย่างนั้นแหะใส่ไมสักแต่ว่ารู้ทาไมปลูกของคนอื่นทาไมปู้ของคนอื่นท่านจะท่านจะไปติดต่อคนคนหนึ่งก็ได้ถ้าท่านมีอภินญาคนกำลังด่าท่านอยู่ในใจฉันก็รู้ด่ารู้ถ้าท่านถ้าท่านเปิดเครื่องเหมือนเราเปิดมือถือเราก็เปิดไลน์ล้วก็รู้ พอเปิดไลน์เปิดมาดูอ oui> ่าวที่ผายมึงดาเรานีวอาจารย์น้องต่อถามว่าน้องต่คิดถึงว่าอาจารย์จารย์รู้ไหมถ้าเราไม่เปิดเครื่องเราไปรับเราก็ไม่รู้ส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องส่งจิตไปดูที่จิตเขา อันนี้แต่บางองค์ท่านก็ไม่ส่งว่าบางทีมันไม่เป็นจริตของท่านท่านไม่อยากจะสอนรู้สอนเห็นนี่ก็เลยแต่พวกจิตที่ชอบสอนรู้สอนเห็นนมักจะไปรู้อย่างจิตหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไปรู้จิตของพระที่อยู่ภาวนาอยู่ท่านอยู่บนเขามีหลวงตาอีกลูกท่านภาวนาอยู่ตีนเขาเวลาหลวงหวงปู่มั่นท่านนั่งสมาธิท่านก็ส่งจิตไปดูจิตของหลวงตาที่อยู่ตีนเขาก็เห็นท่านกําลังคิดถึงลูกคิดถึง รู้ทั้งๆที่ตั้จใจไม่ต้องนั่งสมาธิเลยใช่ไหมคะอันนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่เราไม่ได้เราพูดถึงเรื่องของคนอื่นติการาจิตติาการาจิตไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ก็รู้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องทำเอาเองเมันต้องมีพลังจิตมันถึงจะมันต้องมีสมาธิก่อนมันจะรู้ได้ีนี้มันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสมาธิเพราะถ้าอยู่ในสมาธิมันไม่รับรู้อะไรไงจิตมันต้องเอามาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิ อุปจรารสมาธินี่เป็นไม่ใช่เป็นสมาธิที่สักแต่ว่ารู้ที่นิ่งเป็นสมาธิที่ไปรับรู้ไปติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆติดต่อความคิดของคนอื่นได้อย่างที่พระเจ้าเปเทศโปวดพระมันดาก็ใช้อุปจรารสมาธิถ้าปนาสมาธิมันจะอยู่ข้างในมันจะไม่มันมถ้าเป็นเหมือนเข้าไปในบ้านก็ปิดประตูหน้าต่างหมดไม่เปิดแต่ถ้าอุปจรารสมาธิเข้าไปในบ้านแล้วแต่เปิดหน้าตา่าง เราที่รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกบ้านได้อยู่ที่นอกจิตได้แต่ไม่ใช่รู้ผ่านทางร่างกายนะรู้รู้ผ่านทางจิตโดยโดยอย่างเดียว mm hmm. พระพุทธเจ้าท่านถึงรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าองค์กอดชื่ออะไรอที่ไหนท่านสามารถติดต่อกันได้ยนะังท mm ่า hmm. นจะไปดูได้ไง mm hmm. เพราะว่าท่านมีอภิญญาท่านสามารถส่งจิตไปถึง จิตของพระพุทเจ้าองค์ถัดไปถัดไปถัดไปได้ท่านเลยบอก อ, นน อ, อันนี้ก็เรียกอภิญญา ก, การปฏิบัติเพื่อดับ ก, กิเลสเราไม่ต้องใช้อภิญญาเราใช้อปปนาสมาธิให้จิต เ, เฉยวางเฉยอภิญญา น, นี้ดับ ก, กิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ในเวลาผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องอภิน ญ, ญาเสียเวลาเพระาะมันไม่มีกําลังสู้กิเลส ดีไม่ดีมันจะกลายเป็นลูกน้องของกิเลสไปกิเลสมันจะเอาพิญญามาใช้เป็นเครื่องมือให้กับกิเลสเช่นคนมีอาวีตาที่ผู้ทิพย์เดี๋ยวก็มาทํางานเป็นหมอดูแทนแทนที่จะไปปฏิบัติไปบวชไม่บวชละเป็นหมอดูได้เงินเยอะกว่าไปไปบวชเป็นพระก็เลยเพราะยังอยากจะมีแฟนยังอยากจะมีครอบครัวอยู่ แลนนท้นิสัยแล้วมีมีวิธีหาเงินแล้วเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงแฟนได้ก็ไม่ต้องไปบวชเนั้นเวลปัญญานี้ไม่ดีสําหรับผู้ที่จะมุ่งสู่การหลุดพ้นเวลาปฏิบัติท่านมีอัปปินยานี่ต้องอย่าไปยุ่งกับมันดึงใจกับเข้าข้างในปิดหน้าตา่างอย่าไปออกไปสนใจออกไปรับรู้เรื่องที่มีอยู่ในโลกทิศเวลาเปิดเปิดใจออกมาอยู่อุปจารสมาธิเหมือนกับเปิด เหน้าต่างเพื่อไปรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์เรื่องวิญญาณของคนนั้นคนนี้วิญญาณของเทวดาวิญญาณของเปรตของอะไรนี่ท่านติดต่อได้หมดแล้วก่อนที่จะได้ อ, อปุปจารสมาธิมันต้องได้ปฐุมพิชานก่อนหรือเปล่าก <projecting> ็ต้องจิตต้องรวมก่อนต้องอได้ อ, อัปนาก่อนแล้วแต่มันไม่อยู่มันเด้งออกมามันจะมีตัวที่จะ ชอบไปสอดรู้สอดเห็นเนี่ยมันจะดึงออกมาดึงให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าเรามีนิสัยอย่างนั้นก็ต้องดึงมันกลับมาบอ่ออย่าเพิ่งเป็นสอดรู้สอดเห็นตอนนี้เราไม่ต้องการจะรู้เรื่องของคนอื่นต้องการที่จะมาตัดกิเลสของเราเราต้องมีใจเป็นอุบเบกขาเนื่องเฉยๆถ้าเราไปสอดรู้สอดเห็นเราจะไม่มีอุบเบกขาแล้วพอกิเลสมาแย่เราก็แพ้มันทันทีสู้มไม่ได้ นี่พูดกันเนี่ยปฏิบัติกันได้หรือเปล่าชอบรู้กันบ้วงกันได้เนาะการตักกิเลสมันดีกว่าการมีอภินยาเพราะว่าอภินยามันก็เป็นของ ไปรับรู้อะไรเสร็จแล้วมันก็ปหานไปไปรู้ว่าใครเขาคิดอะไรมันก็เท่านั้นความจริงไปรู้มันอาจจะทําให้เราเสียใจได้เพราะเราหลงรักเขาแต่เขาในใจเขากลับไม่รักเราเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้อย่าไปรู้ดีกว่าในใจเขาจะคิดยังไงอกีฬาจะมาเสียใจส่งจิตไปเทไรก็เขาด่าเราทุกทีส่งไปเลยด่าเออ ใช่เงี้ยมันมันเป็นทุกข์เปล่าเปล่าอย่าไปมีอภิญญาดีกว่าอภิญญาก็แก้กรรมไม่ได้เห็นพระโมกคัลลานะมีอภิญญาหเหาะเอิญเดินอากาศได้แต่ก็หนีกรรมไม่ได้นีผู้จองเวนจองกรรมไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็หนีเทวทัตไม่ได้เทวทัตก็มาจองเวนจองกรรมแต่พระพุทธเจ้ามีอุเบกขาท่านก็เลยเฉยะ มันอยากจะทำอะไรก็ปล่อยมันทำไปเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดเองพอพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าสามครั้งไม่สำเร็จมันก็หมดกำลังแล้วก็มาได้สติว่าตัวเองทำผิดอย่างมหาศาลทำทำร้ายผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับตนเองก็เลยจะไปกราบขอขมาระหว่างทางก็เลยถูกแผ่นดินสู่ไปก็เลยถวายกรารเป็น พุทธบูชาไปอันนี้แล้วพระอาจารย์คะโลกทิพย์มันอยู่ตรงไหนอะคะก็เหมือนกับโลกพระอาจารย์เนี่ยมันอยู่คนมันอยู่คนละมิติไงมันอยู่คนละมิติตอนนี้เราอยู่สเราอยู่สองโลกใจเราอยู่โลกทิพย์แต่ร่างกายเราอยู่โลกกธาตุแต่ใจเรามาเชื่อมต่อกับโลกกธาตุด้วยวิญญาณเนี่ยวิญญาณทั้ง5้าจากขววิญญาณโสตะวิญญาณเนี่ยเราส่ง ใจนี่มันจะมีวิญญาณใช่ไหมหน่วยกับสายโทรศัพท์ที่เราไปเชื่อมติดหรือหรืสัญญาณวิทยุอ่ะสัญญาณโทรศัพท์ที่เราเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นเงนี้ยมันติดต่อกันอย่างสัญญาณโทรศัพท์นี่เราก็มองไม่เห็นใช่ไหมมันก็เป็นอยู่ของมันอีกโลกหนึ่ง<ม>อยู่อีกมิตินึงแต่มันก็ซ้อนอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะไปซ้อนหรือไม่ซ้อนอก็ไม่รู้แหละมันก็ไม่จําเป็นจะต้องซ้อนเพราะมันมันไม่ได้อยู่ มันไม่อยู่ในมิติเดียวกันมันเราไม่ซ้อนกันถาไม่พบเนี่ยหาทุกอย่างทั้งี่เข่าที่อกที่แขนก็ไม่มีจิตอยู่ไหนก็มันมันมันมันส่งกระแสมามามามาติดเนี่ยมาติดที่ร่างกายมันมาทางอากาศมามันมาทางทางโลกทิพย์เนี่ยเราจะไปก็บอกก็บอกว่ามันไม่เป็นเป็น มันเป็นสิ่งที่เราพูดไม่ได้ไงว่าคนละมิติกันแต่มันเชื่อมกันได้จิตเราเชื่อมกันร่างกายด้วยวิญญาณวิญญาณทั้งห้าวิญญาณทางตาก็มารับภาพวิญญาณทางหูก็มารับเสียงวิญญาณทางลิ้นก็มารับรสวิญญาณทางจมูกก็รับกลิ่นวิญญาณทางร่างกายก็มารับสัมผัสร้อนหนาวแข็งนุ่มอย่างเงี้ยมันก็ พออะไรมาแตะร่างกายปั๊บจิตมันจะรู้ทันทีว่ามีของมาแตะแล้วพอเสียงปั๊บมันก็ได้ยินทันทีพอกลิ่นสัมผัสปั๊บมันก็รับรู้ทันทีตัว่าร่างกายนี้ไม่รู้เลยที่ว่ามันสัมผัสอะไรมันเป็นเหมือนกับกล้องนี้กล้องมันไม่รู้ว่ามันถ่ายอะไรแล้วแต่คนที่ดูกล้องนี้จะรู้ว่าอกําลังถ่ายคนนั้นกําลังถ่ายคนนี้อยู่เอคนที่ดูกล้องก็เป็นเหมือนจิตเนี่ยส่วนตัวกล้องนี่เป็นเหมือนร่างกาย ร่างกายมันกล้องมันก็รับภาพรับเสียงแล้วส่งไปให้คนคนที่ดูกล้องถือกล้องอยู่คนที่ถือกล้องนี่ก็คือจิตคนที่ถือร่างกายเนี่และจิตจใช้ร่างกายนี่เป็นเหมือนกล้องนะอยากจะไปเที่ยวไหนก็ต้อง<ม>เอาไว้ร่างกายนี้พาไป<ม><ม>อยากจะกินอะไรอยากจะสัมผัสกับขนมนมเนยกบะพงกาแฟก็ต้องใช้ร่างกายนี้<ม><ม>แต่แล้วจิตก็เป็นผู้รับรู้จิตบอกอร่อย อร่อยก็เลยกินเยอะๆร่างกายเลยต้องเป็นคนรับเคาะไปกินกาแฟมากเกินไปก็นอนไม่หลับกินน้ําตาลมากเกินไปเบาหวานก็ขึ้นเจ็บไายได้ป่วยก็ที่ร่างกายแต่จิตก็ทุกไปกับมันเพราะว่าจิตมันต้องไปเจอกับเวทนาของร่างกายความเจ็บปวดของทางร่างกายร่างกายไม่ทุกกับความเจ็บปวดของร่างกายเองเพราะร่างกายไม่มีความรู้สึกรับรู้แต่ผู้ที่มาทุกก็คือจิตที่มารับสัมผัสรับรู้ เราต้องก็รับรู้แต่สุขใช่ไหมเราอยากจะดูอะไรชอบก็ก็สุขเวลากินอะไรที่ชอบก็สุขนี่เวลาร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาที่นี้มันทุกข์ก็เลยพอทุกข์ก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันแทนที่จะทําให้ใจสงบให้นิ่งก็ไปกลับอยากให้มันหายหายหายทุกข์พออย่งอยากให้มันหายทุกข์จิตก็ยิ่งเครียดขึ้นไปใหญ่ยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่ทร ม, มานขึ้นไปใหญ่ เราจรึงต้องมาใส่คําสอนของท่าเจ้าให้สอนให้เรารู้จักวิธีรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ภาตุพวกนี้มันเป็นภาตุตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ทุกอย่างมันก็มีอยู่แค่นี้ในโลกนี้ในเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นธาตตามธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยก็มันธรรมชาของมัน เราเอาจีไปเกาะมันแค่นั้นเองใช่แล้วเราไปเลือกไงเราไปรักไปชังเราไปรักไปชังถ้าเราไม่รักไม่ชังมันก็ไม่มีปัญหาพอไปรักไปชังเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดวัก็ุกอย่างเงี้ยแต่าไม่ยอมแต่เาไม่ยอมให้มันทุกข์กสิเราอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวพอสุขายไปเราก็ทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทุกข์ในใจไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกาย ที่จริงเราไปแก้ไขมันไม่ได้ทุกสุขอะไรพวกนี้มันอยู่อย่างนั้นของมันอย่างนั้นไหมก็เราก็แก้อยู่เรื่อยแล้วก็คอยแก้อยู่เรือยเดีวเราจิตไปจับมันเองพอร้อนก็ไปติดแอร์กันแล้วพอไฟดับก็แอร์เสียก็ปวดหัวกันทุกกันขึ้นมาเรแก้ไม่ได้แก้แก้แก้ที่ปลายเหตุเราไม่มาแก้ที่ต้นเหตุความคิดก็เหมือนกันมันก็เป็นคนตา มันก็คิดของมันไปคิดบ้างคิดถูกคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดแล้วก็ทําให้ดีใจบ้างเสียใจบ้างทุกบ้างสุขบ้างที่จริงมันเป็นของมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่ยางนั้นใช่ไหมคะเป็นธาตตามธรรมชาติของมันอยู่ยางนั้นให้ความคิดมันเป็นอาการของใจที่ใจสามารถควบคุมได้ใจสามารถควบคุมความคิดได้เช่นพุทโธพุทโธก็หยุดมันได้หรือแม้มันคิดไปในทางที่ทําให้ใจสบายก็ได้ คิดไปในทางที่ทำให้ใจทุกข์ก็ได้ถ้าคิดว่าเป็นของเราก็จะทุกข์ถ้าคิดว่ามมนได้เป็นของเรามันก็จะไม่ทุกข์เราอันนี้ใจควบคุมความคิดของตอนเองได้แต่ไม่รู้จักควบคุมพุทโธพุทโธมันก็จะหายไปความคิดอ่าก็จะหยุดไปควา ม, มทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็จะหายไปแต่ก็จะหายแบบชั่วคราวพอกลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่พุทโธอถ้าอยากจะ ให้หายแบบไม่ท hmm. ุกข์เลยก็อย่าไปคิดแบบนั้นให้คิดอีกแบบหนึ่งคิดแบบไม่ทุกข์ตอนนี้เราชอบคิดแบบทุกข์กันชอบคิดว่าเป็นของเราแล้วก็อยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเปลี่ยนความคิดหมาว่าไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราเขาก็ไม่อยู่กับเราเราก็ไม่ทุกข์เราให้มาเปลี่ยนความคิดแต่ก็ยังเป็นความคิดอยู่ดีแต่คิดกลับกันคิดกลับกัน คิดว่าไม่ใช่เป็นของเราอย่างแฟนเรานี่ถ้าคิดว่าเป็นของเราสบายเยอะเขาจะไปเที่ยวกับใครไปนอนกับใครเราก็จะเฉยแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราฮะไม่ได้แล้วไปนูน่นไปนอนกับใครเดี๋ยวก็บ้านแตกสะละคขาเนี่ยเพราะเราไม่ยอมใช่ไหม จิตมันสร้างความเจ็บขึ้นมาด้วยความความอยากไม่ให้มันเจ็บเพราะว่าไอ้จิตมันคิดว่าร่างกายเป็นตัวมันความเจ็บของร่างกายนี้จิตรับได้ไงเป็นงแตพูดโท้พูดโท้โทให้เฉยมันก็อยู่กับมันได้แต่พอแต่ความที่มันรับไม่ได้ก็คือทนไม่ได้คือความเจ็บของใจที่เกิดจากความอยากที่เราไม่รู้ว่ามันเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองแต่พอเรารู้เรามาหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่เจ็บเราก็จะรับรู้ความเจ็บของร่างกายได้แบบ อุเบกขาแบบเฉยๆไปความเจ็บความสุขความทุกข์ของร่างกายเรามันไปบังคับมันไม่ได้บางทีบังคับได้บางทีมันไม่ได้บางเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาปวดท้องขึ้นมาเฉ็ยบประนี้ไปเป็นสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้แต่ใจเราไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเราอยากไปอยากให้มันหาย ถ้าเรารู้อันนั้นมันมันมั น, ม, นมันไม่ใช่มไม่ใช่ตัวจิตเพรางะงั้นถึงมีตัวจิตมันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของร่างกายจิตเป็นแต่รับรู้แต่เองแต่ไม่ยอมรับรู้หรืออยากให้มันหายไปรู้ไหมก็หลงผิดหลงใช่ไหมคิดว่าคิดว่าเป็นจิตเองคเริ่มเข้าใจแล้วก็ขอบพระคุณขอบพระอาจเข้าใจเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าใจเต็มันเป็นเรื่องของร่างกายตตาไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตจิตเป็นเพียงผู้รับรู้รรด้วยวิญญาณที่เรียกว่าร่า อวิญญาที่มาเกาะเกยวเรื่องการรับรู้อาการของร่างกายรับรู้ภาพก็เจ็บได้ใช่ไหไปเห็นภาพไม่ดีหรือเห็นภาพที่แสงสว่างจ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความเจ็บทางร่างกายใจก็ก็ดไปรังเกียจไปอยากให้มันหายไปมันก็ยิ่งทุกขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าทนรับดูไปมันสว่างก็สว่างไปช่างมัน มันใจก็จะไม่เจ็บใจก็พยายามรักษาอุเบกขาอย่างเดียวให้รู้เฉยๆใ้สั่งแต่ว่ารู้กกถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสปุถพะ ท, ที่ทุกข์กันเพราะไม่มีอุเบกขาเพราะมีรักมีชังมีกลัวมีหลงเ<ม>พราะไม่มีอุเบกขารักชังกลัวหลงที่เป็นกิเลสนันก็จะออกมาทำงาน<ม>ทัน ท, ทีที่เราปฏิบัต พยายามปฏิบัติทั้งหมดนะเพื่อที่ให้มันเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเผื่อเราปฏิบัติถึงไม่ว่าจะถึงขั้นไหนก็ตามจะรู้ด้วยตัวเองถูกไหมเจ้าคะคือมคือถ้าใจเรานิ่งใจเรานิ่งมันเป็นอุเบกขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเออไอ้นี้ถูกนะเอมันไม่ทุกข์อย่างที่มาเล่าให้ฟังนี่ใช่ไหมเมื่อก่อนทุกข์กับความเจ็บของร่างกายใช่ไหมไอ้นี้ไม่ทุกข์เลยไม่ทุกข์เลย เักรู้จักวิธ right? right. so so ีทำให้ม well, ันไม่ทุกข์แค่ใชอก็คือทาใจให้เฉยพุทโธพุทโธไปพอพุทโธมันก็จะไปรักไปชังไม่ได้ไปกลัวไปหลงไม่ได้มันก็เลยไม่ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่มันมาสัมผัสรับรู้ก็เหมือนดูหนังนะขนาดดูหนังเรายังไปตื่นเต้นตกใจกับหนังเลยก็ระเบิดตูมตามนี่เราก็ แต่คนดูไม่ได้เป็นอะไรเท่านหน่อยอเฮอก็เหมือนกันจิตมันไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายเท่านหน่อยแต่จิตไปตื่นเต้น <c oughs> ตกใจไปกับเรื่องของร่างกายแล้วก็ไปทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นอะไระทีนี้เรามาศึกษาธรรมชาติของร่างกายต้องรู้ว่ามันต้องเป็นไม่ช้าก็เล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราจิตเป็นคนดูก็ดูไปเฉยๆเหมีอคนดูหนังเลยเวลาร่างกายตายก็เหมือนหนังจก หลังจบคนจิตก็ออกมาจากลงไปออกจากร่างกายไปแต่แต่ถ้ายังถ้ายังยังอยากอยู่ก็ไปหาล ง, ลงใหม่ดูไปหาร่างกายนับร่างใหม่มแล้วก็มาตื่นเต้นตกใจไปกับร่างกายอันใหม่ต่อไปคนที่ฉลาดบอขี้เกียจดูว่าเป็นหนังหลอกเราเนี่ยมาอย่างที่วันนั้นก็ถามคนที่ถามว่าอะไรที่เห็นแล้ไม่จริงเนของทั้งหมดที่เราเห็น การทางวิญญาณนี่มันไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นเหมือนเงาเป็นเหมือนหนังของจริงที่ไม่จริงคนที่ดูคือคนจิกของจริงคนดูของจริงก็คนดูนีไม่มีวันตายไม่มีวันเปลี่ยนผู้รู้นี่ไม่มีวันตายไม่มีวันเปลี่ยนมีแต่รู้มีแต่รู้อย่างเดียวนี่มันไปดูของปลอมแล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นของจริงก็เลยไปตื่นเต้นตกใจไปกับมัน เมืราดูหนังเราก็รู้ว่าเป็นหนังแต่ยังหอดตื่นเต้นตกใจไปกับมันไม่ได้นะเวลาเห็นตอนที่น่ากลัวก็อยากจะปิดตาขึ้นมาเพราใจเราไม่มีอุเบกขาไงพอเห็นอะไรแล้วมันจะรักจะชังจะกลัวจะหลงขึ้นมาเราถึงต้องมาฝึกอุเบกขากันด้วยการทําใจใด้วยการหยุดความคิดด้ยการใช้พุโทโธพุโทโธ มันก็จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะรักจะชังจะกลัวจะหลงไม่ได้พอมันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมันก็ดูอะไรได้อย่างสบายดูหนังผีก็ดูได้อย่างสบายไม่ต้องปิดตรงปิดตาเพราะรู้ว่ามันอยู่ในจอมันไม่มันไม่โผล่มาฆ่าเราหรอก <laughs> เราดูดึกๆหรือถ้าร่างกายก็มันก็แค่มันก็แค่ตายมันเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องตาย <C ute> คืออย่างนี้เมื่อก่อนโนะหนูดูไอ้นี้ยรูปภาพกระถูกภาพดูไม่ได้เลยนะอาจารย์ <c ute> แต่เดี๋ยวนี้ทําไมดูได้ก็เราบังคับมันก็ดูได้เมื่อ ก, ก่อนก็กลัวผีเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วนะโนโดูได้กลางคืนก็นั่งดูอันนี้อย่างนี้ทํางนอย่างนี้อเงี้ยนั่งดูตลอดเลย ทำไมใจมันไม่กลัวแล้วก็ฝึกมันไงให้มันให้มันมีสติไม่คอยควบคุมความกลัวไงแล้วยามหลวงฟังเลยฟังธรรมะมรณะสติปล่อยแล้วก็อัตถะทุกวันนะคะฟังให้มันจำได้ต่อไปก็ต้องไปดูของจริงดูกันเล ไปดูสร้างศพดูอ่าก็ยังแสดงว่ายังกลัวอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยดแม่เพ่อใจาะ้ดูมรณารู้สติขนาดให้บุวภุษาบ่อยยังยังสวยอยู่นี่เลยครับาจยไม่ยอมอปล่อยตัวเลยครับเห็นเฟซบุ๊สวยตลอดเลย ก็ต้องทำไปตามขั้นขั้นแรกนี้ก็เห็นภาพไม่กลัวแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเห็นของจริงเ้วยแต่หนูยังเพลินอยู่กับการกินนะคะหนูลืมเวลากินอ้าวไม่คลืมลากินไม่ดูตอนที่มันอยู่ในท้องมั้งเนี่ยไปหนูไปดูก่อนจะกินก็คว่านังของเรื่องนี้มันจะต้องเข้าไปในปากเรานะต้องเข้าไปในท้องเราเนะหนูก็เปิดดูนะเขาเรียกอะไรนะอาหารอะอาหารปฏิกติระปฏิกูล แต่ยังดูไม่ได้ไม่กล้าดูแต่อัติภาพนี่ดูได้แล้วเมื่ อ, อก่อนดูไม่ได้เลยนะกลัวมากอสาบปิ้นนี่กลัวแล้ว เ, เดี๋ยวนี้ดูได้หมดเลยนะคะหมายถึงหมายถึงว่าจิตมันแข็งขึ้นมีสติมีอุเบกขามากขึ้นแต่ยังไม่ครบร้อยยังไม่ครบทุกเงื่อนทุกอย่างยังเม้ยยังไม่เพิ่งมาได้ปีเดียวเองเพิ่งอนุบาลหนึ่งยังไม่ขึ้นอนุบาลส พระอาจารย์ครับช่วงช่วงนี้ครับคนไทยรักกันได้แป๊บเดียครับพระอาจารย์ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมครับแลวรบของพระอาจารย์เมตตาให้สติคนบ้ากนะครับเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านด่ากันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วหมดแล้วครับตอนนี้ก็มันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันไม่มีอุเบกขาเนมันมีรักมีชังมันก็มันพออะไรคิด<อ>ไปพอมันเห็นอะไรที่ทําให้มันชังมันก็เราว่าใส่เห็นอะไรที่ทําให้มันกลัวมันก็ มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับสิ่งต่างๆเพราะจิตไ ม, มไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้สักแต่ว่ า, ร, ารู้เห็นอะไรแล้วต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นกับสิ่งที่รับรู้ขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติก็อย่าไปเปลี่ยนมันเลยเขาเป็นนี้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแล้วก็จะเป็นนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายเพราะนี่เป็นธรรมชาติของโลกเราก็ทําได้แต่กลุ่มเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยพวกที่มาสนใจที่สนใจที่จะมาฝึกฝน ควบคุมจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่นิ่งที่สงบที่ไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านทั้งหลายที่มันไปวุ่นวายเพราะมันไม่มีอุเบกขามันไม่มีสติดึงใจไว้มันถูกกิเลสตัณหาดึงไปหมดกิเลสตัณหามันก็จะรักจะชังจะจะกลัวจะหลงเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสไวว่ามนุษย์คิดไม่เกิน62แบบ มีอะไรบ้างครับอาจารย์เราก็ไม่รู้เหมือนกันยไ2คำก็ลองไปค้นดูในเราไปค้นกูในกูเกิลดูของวนนี้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่สําคัญเินนี้ขอให้รู้เรื่องความคิดของเราแค่นี้ก็พอหรือว่าเราหยุดความคิดของเราได้หรือว่าเราหยุดความนักชังกลัวหลงได้แค่นี้เราก็จบละ อยู่กับความกลัวว่ามันไิ่งหญจะโดนหรืออะไรนี่รเรวๆนี้ก็โดนไปที่คนที่ปฏิสูตรชีวิตที่ตายไปนี้เราจะคิดยังไงก็คิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนไม่ว่าอยู่ <c oughs> เหนืออยู่ใต้อยู่ที่นี่ก็ต้องตายเห <c oughs> มือนกันถึงเวลามันก็ต้องตายไม <c oughs> ่เป็นเหตุการณ์แต่ ท, ที่ที่เป็นอยู่ในจังหว<อ>ัดทางใต้เราเป็นหนะนึ่งในนั้นเป็นประชาชนก็มีสองทางเลือกก็อยู่ต่อไปหรือย้ายที่อยู่ย้ายไม่ได้ก็อยู่ไป ย้ายก็ตายเหมือนกันไม่ย้ายก็ตายเหมือนกันนั้นจะทําให้เราใจเราสงบไม่วุ่นวายก็ต้องยอมรับความตายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถึงเวลามันก็ตายเหมือนกัน <think> เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาไม่คิดว่าเป็นอนิจจ์ร่างกายเป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถึงวนันมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมมันมาจากดินน้ําลงไฟดินน้ําลงไปมันก็ขอคืนไป ท่านนั่นเองเราอย่าไปยืดไปติดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมตายเราอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยเป็นการทํามหาธินอาชีพที่เราต้องอยู่เราก็่ ร, ร, รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นคนบริสุทธิ์ก็ตายเออที่เราก็ไม่ทรางบจะทำนอ น, นอออยา่างไรเดี๋ยวบอกน้องที่ไปรอที่ศาลาก่อนนะตอนนี้ยังไม่สะดวกนะก็ไ ทำอาชีพก็เพื่อตายเท่านั้นมันไม่ได้ทําเพื่ออะไรหรอกใช่ไหมทำไปก็อยู่ไปทาให้อยู่ได้นานยาวหน่อยมีอาชีพก็อยู่ได้นานนานหน่อยถ้าไม่มีอาชีพก็ตายเร็วหน่อยตายช้าตายเร็วมันก็ตายเหมือนกันตายแล้วมันก็กลับมาเกิดใหม่มันก็ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนปัญหาก็คืออยู่ที่การมาเกิดอย่ามาเกิดเลยจะได้ไม่ต้องมามาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทำมาหากินให้เหนื่อยยากอเปล่า ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็อย่าไปเที่ยวอย่าไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอย่าไปหาความสุขแบบนั้นให้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบเราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ไปบวชกันสบายกว่าเยอะะมีคนมาเลี้ยงเราเไ ม, มเเออ ไม่บ่นไม่บวยกันเลยแล้นก็มาบวชงันคนที่ก็บ่วยก็เหมือนก็บวชกันนะสบาย่าตายน้ําก็ฟรีไฟก็ฟรีข้าวก็ฟรีที่อยู่ก็ฟรีคุสมัยก่อนก็คิดแบบนี้นะคิดเหมือนกันสมัยนี้ก็คิดแบบนี้นักโลกก็โด่งอย่างนี้สมัยหน้าที่จะเกิดก็เหมือนเดิมยังคิดอยู่อย่างนี้ยไม่พ้นแค่นลยที่ม่รักษก็พ้นจต่เฉพาะคนที่ไม่คิดก็ไม่ได้มาเกิดไงเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่มาเกิดนะ พวกที่มาเกิดก็ยังคิดแบบนี้พวกที่ไม่มาเกิดก็ไม่ได้คิดแบบนี้แล้วแยังทำไม่ได้รู้ทุกอย่างเลยทำไม่ได้กําลังค้าทําได้เลยคนหนึ่งก็ทำได้ทํำไมเรามาทำไม่ได้ั <laughs> กําลงงดึงดอะ <laughs> ถ้าเราสู้ไม่ถอยเราก็ต้องชนะเราก็ต้องได้ชั่ววันเล ย, ยงติดเที่ยว น cool> ั่น่ะก็เลิกเที่ยวเสร็จติดเที่ยวก็เลิกเที่ยวติดอะไรก็เลิกเหมือนนันนั่นเองอาน้อยอยน้อยก็ไม่เป็นไรน้อยน้อยไม่น้อยไม่เกี่ยวกันจิตมันไม่มีอายุอยู่แล้วที่อายุมันเอาไปโชว์ได้ก็เห็นสุสุภาอยู่ทุกวันแล้วเนี่ยโชว์อะไรแต่อยงเยอะลนะสองจะซีนูเยอะแล้วมีทางคำสารทางบ้านมั้งไหม เยวเวลาไม่มากนี่ค่ะอ่า ส, สองสามคำ ถ, ถามจากคุณจิตมณีการนั่งสมาธิเมื่อเกิดความสงบสบายในขณะนั่งและจะให้ดีคันออกจากสมาธิเคยได้ฟังฟ้าจางตอบปัญหาทางบ้านว่าควรพิจารณาต่อด้วยปัญญานั้นหลักการพิจารณาด้วยปัญญาควรน้อมอย่างไรคะเวลาออกจากนั่งสมาธิก็ <c oughs> ให้ไปพิจารณาสิ่งที่ทาให้เราทุกข์ใจ ที่ทําให้เราไม่สบายใจเช่นถ้าเรายังทุกกับเรื่องเงินทองอยู่เราก็ไปพิจารณาว่าเงินทองนี่มันเป็นของไม่ที่มแท้แน่นอนมันมาได้มันก็ไปได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับมันเราก็อย่าไปใช้มันอยาอา่าไปอาศัยมันเลิกใช้เงินใช้ทองหรือใช้เท่าที่จําเป็นมันก็จะไม่มีปัญหามากที่เรามีปัญหามากเพราะเราใช้มากเกินความจําเป็นเราก็ต้องหามากหาไม่ได้ก็ทุกก็เครียด แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้มีความสุขจากนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวกัน <c oughs> เราก็จะลดการใช้เงินทองลงจะใช้เงินทองแต่เฉพาะสิ่งที่จาเป็นเท่านั้นมันก็ไม่มากมายอะไระกินข้าววันละมื้อก็อยู่ได้ลน ะ, ะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองอเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเงินทองเลี้ยงปาเลี้ยงท้องเอง ก็ยอมตายเท่านั้นเองร่างกายเราก็ต้องพิจารณามันก็ต้องตายเหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ด้วยถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงเงินทองก็อยากให้มันเที่ยงอยากให้มีอยู่เรื่อยๆร่างกายก็อยากให้มันอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่อยู่เรื่อยๆด้มันมีจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดมันก็เลยทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ไปไปยึดไปติดมันเพราะเรารู้ว่าพึ่งมันไม่ได้ เรามาพึ่งใจมาพึ่งความสงบเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองมนีคือปัญญาให้พิจานาเพื่อให้เราตัดในสิ่งที่เรายังยึดยังติดอยู่เราติดอะไรก็ต้องตัดมันให้ได้ทุกอย่างที่เราติดอยู่ที่เรายังต้องมีต้องกินต้องดื่มนี่มันไม่ต้องมีต้องกินต้องดืม่มเราก็อยู่ได้คำถามจากคุณไพศาล ปฏิบัติสมาธิเยอะๆแล้วจิตจะตื่นตัวตลอดเวลาขณะนอนจิต ก, ก็ไม่หลับรู้สึกตัวตลอดเวลาทำให้ร่างกายเหมือนไม่ได้พักผ่อนจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างครับก็อย่าทำเสีเวลาจะนอนก็อย่าไปทำสมาธิความจรินที่มันนอนไม่หลับมันไม่ใช่อยู่ที่สมาธิหรอกมันอยู่ที่ความคิดมากกว่าถ้าเราปล่อยให้ใจคิดมันก็จะนอนไม่หลับแล้วเราก็ไปโทษสมาธิความจริงมันไม่ใช่สมาธิหรอก เวลาจะนอนหลับเราก็พุทโธพุทโธไปหยุดความคิดไปเดี๋ยวมันก็หลับถ้าปล่อยให้มันคิดมันก็จะไม่หลับคงถามจากคุณกันที่สุดของการนั่งภาวนาโดยทนต่ออาการเน็กชาเจ็บปวดของร่างกาย คือการได้รู้ว่าร่างกายกับจิตแยากการเด็ดขาดใช่หรือไม่ครับแต่ที่ไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะทนทุกต่อทุกเวทนาไม่ได้ถูกหรือไม่ครับอ่าถูกมันต้องทนต่อไปจนกว่าจิตจะจิตปล่อยวางเวทนาได้จิตก็จะรู้ว่าเวทนานี้ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่จิตไม่ปล่อยวางเท่นั้นเองจิตไม่มีพุโทโธก็ปล่อยไม่ได้มีไหมคําถามถามไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยว มีมีเยอะไหมไม่เยอะค่ะอ่าเอาถามจากคุณลิงน้อยผมเพิ่งมาฟังธรรมะจากพระอาจารย์เลยอยากหัดภาวนานั่งหัดนั่งสมาธิแต่ตอนหัดนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายมันไม่ยอมหายใจจนรู้สึกอึอดอัดมากควรทําเช่นไรครับและถ้าผมจะหัดเดินจงกรมต้องเริ่มต้นอย่างไรครับถ้ามีปัญหาเรื่องลมหายใจยก็อย่าไปดูลมนะให้ท่องพุโทโธพุโทโธไป หรือถ้าเรายังท่องพุทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปก่อนจนกระทั่งใจหยุดหยุดสวดได้แล้วมาพุทโธได้เราก็พุทโธต่อไปหรือถ้าเราดูลมต่อไปได้เราไม่มีปัญหาเราก็ดูลมต่อไปเวลาเดินก็เช่นเดียวกันเราก็ท่องพุทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้หรือจะนับเท้าก็ได้ดูที่เท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปคือการนั่งสมาธินี้ การท่องพุโทโธนี่การจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้เพื่อหยุดความคิดต่างๆเท่านั้นเองเราไม่ต้องการให้ใจคิดคิดแล้วมันไม่สงบคิดแล้วมันวุ่นเลยต้องมีอุบายวิธีที่จะทำให้เราไม่คิดคาถามจากคุณกหนกพรขอให้ท่านอาจารย์ช่วยพูดถึงเรื่องกรรมของผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายว่าการกระทาเช่นนี้ต้องไปใช้กรรมอย่างไรบ้างคะ ก็ต้องเวลาตายไปก็ต้องไปตกนรกไปเพราะเวลาฆ่าตัวตายนี่มันจะทุกข์มากแล้วมันก็จะกลับเวลากลับมาเกิดใหม่มันก็จะฆ่าตัวตายใหม่เวลามันเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้มันก็จะคิดแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายมันก็จะติดอยู่ในวัฏจักรแบบนี้มาความมาเกิดปั๊บพอมาเจอปัญหาเจอความทุกข์ก็จะฆ่าตัวตายตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในในนรกก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่ ว่ากรับมาเกิดใหม่มาเจอความทุกข์ใหม่ก็ฆ่าตัวตายใหม่วิธีที่จะไม่ต้องที่จะออกจากวงจรอุบาทนี้ก็คือต้องไม่ฆ่าตัวตายต้องฆ่ากิเลสแทนเพราะกิเลสเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคือความอยากให้สิ่งต่างๆที่เราทําให้เราเสียใจนี้หายไปซึ่งเราทําไม่ได้เราทําได้คือต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนี้ของมัน ถ้าเราต้องเสียสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็ยอมเสียไปถ้าต้องสูญเสียสุขภาพร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับมันไปมาฝึกทำใจให้เฉยเฉยแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องไปใช้กรรมในนรกแล้วเวลากลับมาเกิดชาติต่อไปมันก็จะไม่ฆ่าตัวตายมันก็จะรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดแล้วมันก็จะพาเราไปสู่พระนิพพานในที่สุด ดูนี้ก็พอก็แล้วกันนะเพราะว่ามันกล้าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็มีพระมารออีกก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวพอแล้วเนี่ยจะปิดแล้นะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด